เนื่องในวันรัฐธรรมนณูนที่ผ่านมาคือในวันที่สิบธันวาคมยาตโยนเลยได้กำไรหนึ่งวันได้มีเวลามาทำบุญมาสร้างกุศลเป็นการเติมน้ำมันให้แก่จิตใจ ใจิตใจของพวกเราเป็นเหมือนรถยนต์ที่ต้องเดินทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางถ้ากาดน้ำมันก็ต้องเข็นไปก็จะไปอย่างยากอย่างลาบากแต่ถ้ามีน้ำมันก็ไม่ต้องเข็นรถขับรถไปแล้วก็จะถึงจุดหมายปลายทาง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนต้องการจะไปกันก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะพวกเราไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์กันทุกคนอยากจะมีความสุขกันและก็มีสถานที่ที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงแล้วท่านจึงได้กลับมาบอกพวกเราให้รู้จักทางที่จะพาให้พวกเราไปถึงจุดหมายปลายทางอันนั้นคือสถานที่ที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เลยต่างกับสถานที่ต่างๆที่พวกเรา ได้ไปกันมามีทั้งความสุขและมีความทุกข์ส่วนใหญ่จะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขความสุขก็เป็นเหมือนเย็น้้ำตาลที่เคลือบยาขมสุขเดียวเดียวแล้วก็ทุกอยู่เกิดตลอดเวลาทุกวันนี้จิตใจของเราก็เป็นอย่างนั้นมีความสุขเล็กๆน้อยๆ แต่มีความทุกข์อย่างมโหลามีอยู่เรื่อยๆมีอยู่ตลอดเวลาเพราะเรายังไม่รู้จากทางที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขไปสู่ความดับทุกข์กันนั่นเองเป็นวาสนาเป็นบุญบารามีเป็นโชคของพวกเราที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา และได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะถ้าเกิดเกิดมาในยุคของที่มีพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่มีโอกาสที่จะศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้เช่นถ้าเกิดมาเป็นสุนัขแล้วก็ได้มาอยู่ที่วัดแต่ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา นอกจากความเมตตาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้แกให้พุทธศาสนิกชนมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันสัตว์ที่มาอาัยวัดก็จะอยู่อย่างปลอดภัยและมีอาหารรับประทานอย่างสมบูรณ์ไม่อดอยากขาดแคลนก็จะได้เพียงเท่านั้นถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉาน เกิดเป็นสุนัเกิดเป็นนกเกิดเป็นแมวแล้วได้มาอาศัยวัดก็จะได้อาศัยพระาศาสนาเป็นร่มอพอให้อยู่ไปได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่จะไม่สามารถที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าที่เป็นทางที่จะนำไปสู่การ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ต้องเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้พูดสื่อก็เป็นภาษาของมนุษย์พระองค์ไม่สามารถสอนพระเดพวกเดลฉานได้เพราะเขาไม่มีภาษาเหมือนภาษาของมนุษย์พวกเราเป็นมนุษย์ และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นเป็นโชควาสนายิ่งกว่าการถูกวัตเตลรี่รางวัลที่หนึ่งเีกเพราะรางวัลที่หนึ่งนี้ให้เราอย่างมากก็คือให้เงินทองให้เราได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายทางร่างกายแต่ทางจิตใจก็ยังเป็นเหมือนเดิม คนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือไม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ยังต้องทุกเหมือนเดิมอยู่ยังต้องทุกกับความแก่ยังต้องทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยยังต้องทุกกับความตายยังต้องทุกกับการทัดทานจากสิ่งต่างๆอันนี้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่สามารถที่จะดับได้ แผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแนะนำไปปฏิบัติได้ผู้นั้นแหลจะเป็นผู้ที่สามารถอยู่เหนือความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายและการพลาดพลากจากกันได้นี่คือความวิเศษของพระพุทธศาสนาของพระธรรมคาสอน ซึ่งมีจึงจึงถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราจึงเรียกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระรัตนไตรรัตนะแปลว่าเพชรไตรก็แปลว่าสามเพชรทั้งสามนี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารนะ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเพราะเป็นที่ดับทุกข์ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่มีความทุกข์เลยเพชศต่างๆในโลกนี้ทรัพย์สมบัติต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถดับทุกข์ใจได้นอกจากดับทุกข์ใจไม่ได้แล้วยังกลับสร้างความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกเวลามี มีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษาทุกข์กับความหวงทุกข์กับความห่วงแล้วก็ทุกข์กับความสูญเสียดังนั้นขอให้พวกเราจงอย่าไปหลงกับการหาที่พึ่งทางโลกกันอย่าไปหาทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองมามากเกินความจำเป็น จึงอยู่เรายังต้องใช้เงินใช้ทองแต่ขอให้ใช้เงินเพื่อไม่ให้มาเกิดเป็นโทษกับจิตใจของเราคือให้ใช้เงินไว้สำหรับดูแลรักษาอัตภาพร่างกายให้ร่างกายอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามีพอเพียงแล้วเราก็ควรที่จะ เอาเงินที่เหลือนี้มาทำประโยชน์ให้กับจิตใจด้วยการทำบุญให้ทานช่วยเหลือพวนมนุษย์ด้วยกันเห็นใครเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคารว์ก็ช่วยกันได้เป็นบุญเหมือนกันเพราะทำให้ใจเรานั้นปล่อยวางในทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองทำให้เรามีความเมตตากรุณา ทำให้เราไม่โลภไม่อยากได้เงินทองมากจนเกินไปแล้วจะทำให้เราจะได้มีมีศีลเพราะเวลาเราทำบุญด้วยความเมตตาเราจะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขเราไม่อยากให้ผู้อื่นมีความทุกข์ เวลาเราจะทำอะไรเราก็จะระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนแก่ผู้อื่นไม่ให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนต้องทุกข์ไปกับการกระทำของเราการกระทำแความคิดแบบนี้ก็จะทำให้สามารถรักษาศีลได้อย่างง่ายดายคือจะสามารถละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดตัวเองนี้ละเว้นจากการพูดปดมดเต็ดและละเว้นจากการเสพสุรายาเหาได้เนื่องจากจิตใจเป็นจิตใจที่มีความเมตตานั่นเองแล้วใจก็จะไม่หิวไม่อยากกับเงินทองเพราะเห็นแล้วว่าการมีเงินทองมากเกินไปนั้นกลับเป็นความทุกข์เสียมากกว่า ซูเอาไปทำบุญดีกว่าเพราะทำบุญแล้วทำให้เกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความสุขใจเกิดความภูมิใจนี่คือผลที่เราจะได้รับในปัจจุบันและเมื่อตายไปเราก็จะได้ไปสวรรค์ได้ไปเกิดในสุขติได้เป็นเปินเทพได้ไปเสพอาหารทิพย์ต่างๆดีกว่าผู้ที่ไม่ทำบุญ แล้วกลับไปทำบาปเวลาตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างเพราะนี่คือกฎแห่งกรรมเป็นความจริงของของการกระทำของสรรโลกทั้งหลายไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสัู้ เรื่องของกฎแห่งกรรมและนำเอามาสเผยแผล ส, สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกก็ต่างกฎแห่งกรรมนี้ก็ยังเป็นกฎที่ตายตัวอยู่เป็นอาการลิโกไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปตราบใดที่ยังมีสัตว์โลกทำกรรมกันอยู่กฎแห่งกรรมนี้จะหมดไปก็ต่อเมื่อไม่มีผู้กระทำกรรมอีกแล้ว เช่นถ้าสามโลกทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นพระอาหารหันต์กันไปหมดแล้วกฎแห่งกรรมก็จะไม่มีอีกต่อไปเพราะพระอาหารหันต์นี้ท่านไม่ทำกรรมอันใดทงนั้น <c oughs> การกระทาของท่านหลังจากที่ท่านได้บรรลุได้ตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วเป็นเพียงกิริยาไม่ได้ทำจากใจที่มีมีความถูกผูกพัน มีอารมณ์กับการกระทำคือไม่ได้ทำจากความโลภจากความโกรธจากความหลงแต่ทำไปด้วยความเมตตากรุณาทำไปด้วยเหตุผลเช่นพระพุทธเจ้านังจากที่ได้ตัดสรู้ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วในวันเพ็ญเดือนหกพระองค์ยังไม่ตายยังมีสังขารร่างกายอยู่ พระ อ, องค์จึงใช้สังขารร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกแต่การกระทาของพระ อ, องค์นี้ไม่ได้ทำด้วยความต้องการผลอะไรจากใครทั้งนั้นทำไปด้วยความเมตตากรุณาเห็นสัตว์โลกยังมืดบอดอยู่ยังหลงอยู่กับ การเดินไปในทางที่ผิดคือทุกคนอยากจะไปหาความสุขกันอยากจะไปหลุดพ้นจากความทุกข์กันแต่ไม่รู้จากทางที่แท้จริงจึงเดินผิดทางแทนที่จะเดินหนีออกจากกองทุกข์กับเดินเข้าหากองทุกข์แทนที่จะเดินเข้าหาความสุขกับเดินหนีจากความสุขกัน การที่พวกเราดำเนินชีวิตของพวกเรานี้ส่วนใหญ่แล้วยังเป็นการเดินเข้าหากองทุกข์เช่นถ้าเรายังมีความปรารถนาอยากร่ำอยากรวยอยากมีตำแหน่งอยากมีเกียรติอยากมีการให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญเยินยออยากมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นโล้โพธิภพชนิดต่างๆนี่เป็นการเดินเข้าหากองทุกข์ เป็นการเดินหนีจากความสุขเพราะทางที่ไปสู่ความสุขนั้นไม่ได้ไปไม่ได้ไปในทางนั้นไปทางตรงกันข้ามกันคือทางออกจากความอยากร่ำรวยอยากมีเกียรติอยากมีตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์มีการสรรเสริญเยินยอมีความสุข กับลูกสีงกิ่นลดโพฏฐัพชนิดต่างๆต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็เคยเดินเข้าหาลาบยศสารเสริญสุขแต่พระองค์ทรงพิจารณาด้วยปัญญาและเห็นว่าไม่ใช่ทางสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์จึงถอยออกจากการเดินไปทางนั้น แล้วก็เดินไปตามทางของสมมณะนักบวชคือไปสู่การรักษาศีลไปสู่การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาธรรมะให้เกิดปัญญาขึ้นมาจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ถึงจุดหมายปลายทางที่สัตวโลกทั้งหลายปรารถนาที่จะไปกันก็คือการสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลาย และการพบความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไม่มีวันหมดสิ้นไปที่มีอยู่ในใจของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนความสุขที่แท้จริงความสลุดพ้นที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานี่เองเพราะว่าความทุกข์ก็เกิดจากความอยากที่มีอยู่ในใจของเรา แล้วเมื่อเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไปพอความทุกข์หายไปก็จะเหลือแต่ความสุขนี่คือสิ่งที่เป็นเหมือนเส้นผมบังภูเขาเรามองไม่เห็นกันของใกล้ตัวเราเรากลับมองไม่เห็นกันเราไม่เห็นว่าความสุขความทุกข์ที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจของเรา เกิดจากความอยากหรือความไม่อยากถ้าอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากความทุกข์นั้นก็จะดับไปพอไม่มีความทุกข์ก็จะมีความสุขปรากฏขึ้นมาแทนที่มีอยู่ในใจเราแต่เราไม่รู้กันเนื่องจากใจเราถูกหลอกให้ออกไปหาความสุขข้างนอกใจ ให้ไปหาความสุขกับร่างกาย ท, ที่ทำให้เรามาเกิดก็เพราะคิดว่าถ้าเราเกิดแล้วเราจะมีความสุขกันพอเรามีร่างกายแล้วเราจะได้ทานั่นทานี่ได้หาเงินหาทองได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่เราไม่รู้ว่าเงินทองร่างกายและความสุขต่างๆในโลกนี้ มันอยู่ภายใต้กฎของอนิจจมทุกขังอนัตตาคือมันไม่เที่ยงมันไม่มันไม่อยู่กับเราเสมอไปมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเวลามาเราก็ดีใจเวลาเราได้ทําสิ่งที่เราชอบใจเราก็มีความสุขพอเราไม่ได้ทําเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเราได้อยู่กับคนที่เรารักเราชอบ เราก็มีความสุขเวลาที่เราต้องจากเขาไปหรือเขาจากเราไปเราก็จะมีความทุกข์ขึ้นมานี่คืออนิจจังมีการมามีการไปแล้วก็ทุกขังก็คือมีความทุกข์ไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวมีสุขด้วยแต่ก็มีความทุกข์ด้วยส่วนใหญ่ความทุกข์นี้มันจะเป็นตัวที่ทรมานจิตใจของเรา ความสุขนี้ต่อให้สุขได้มากเพียงไรก็ตามพอมันหมดไปแล้วก็จะเจอความทุกข์กันความทุกข์นี้มันจะมาทีหลังมันจะเป็นตัวที่ทำให้ความสุขที่เราเคยได้รับนั้นหายไปหมดเลยไม่มีความหมายอะไรเลยแล้วก็มันเป็นอนัตตาก็คือมันไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเรา เราไม่สามารถสั่งให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดเราไม่สามารถส you you like right? ั in ่งให้เป็นอย่างที่เราต้องการไปได้ตลอดมันจะต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างร่างกายของเราเราก็จะสั่งให้มันไม่แก่ไม่ได้สั่งไม่ให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้สั่งไม่ให้มันไม่ไม่ตายไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเรานั่นเองมันไม่ใช่ตัวเรา เราไม่ใช่ร่างกายเราคือใจใจผู้ได้ร่างกายมาเป็นสมบัติชั่วคราวแต่เนื่องจากความหลงทำให้ไม่รู้ทำให้คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราจึงทำให้เกิดความอยากให้ร่างกายเราไม่แก่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายจึงทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าอยากอย่างไร ก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้นี่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราความทุกข์ที่ใจของเราสร้างขึ้นมาและพยายามจะหนีจากมันด้วยการไปหาสิ่งต่างๆมาดับความทุกข์เช่นไปหาเงินหาทองมาดับความทุกข์ไปหาตำแหน่งไปหายศต์าแต่ง มาดับความทุกข์ไปหาความสรรเสริญเยนยอไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถดับความทุกข์ได้เพียงแต่กลบความทุกข์ไว้ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะดับมันได้พวกเราจึงยังมีความทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีอะไรมากมายก่ายกองเพียงไรก็ตาม ใจของเราก็ยังทุกข์กับเรื่องของความแก่ของความเจ็บและความตายอยู่นั่นแหละจนกว่าที่เราจะได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราปล่อยความอยากอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะนี่เป็นเหตุของความทุกข์ทรมานใจถ้าเราปล่อยความอยากได้แล้ว ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บและความตายนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันทั้งๆ ท, ที่อยู่ในตัวของเราเองเพราะเราถูกความหลงมันปิดตาเราไว้ทำให้เรามองไม่เห็นคือความหลงจะหลอกให้เราไปหาการดับทุกข์จากสิ่งต่างๆภายนอกใจนั่นเองไปหาร่างกายไปหารากยดสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแแทนที่จะดับทุกข์กลับไปสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกนี่เป็นการเดินเข้าหากองทุกข์ไม่ใช่เดินออกจากกองทุกข์วิธีเดินออกจากกองทุกข์ก็คือต้องไม่อยากมีอะไรทั้งนั้นไม่อยากรวยไม่อยากมีมียศมีตําแหน่งไม่อยากมี ให้คนจันรเสนยกย่องไม่อยากมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสโพฏภะแล้วก็ให้เดินไปสู่การรักษาศีลเดินไปสู่การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทาจิตใจให้สงบพอออกจากความสงบก็ให้สอนใจเรื่องอนิจจทุกขังอนัตตาให้เตือนไว้ว่าอย่า ก, กลับไปหารูปเสียงกลิ่นรส อย่ากลับไปหาลาบทุจรัสเสริญสุขอย่าไปยึดติดกับร่างกายเพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาสิ่งใดที่เราไม่ยุ่งเกี่ยวเราจะไม่ทุกข์กับเขาเช่นร่างกายของคนอื่นเราไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยร่างกายของคนอื่นจะเป็นอย่างไรเราไม่ทุกข์ด้วยทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองของคนอื่น จะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทุกข์ด้วยเพราะเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปยึดไปติดไม่ไปถือว่าเป็นของเรานั่นเองฉันใดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่และร่างกายของเราเราก็อย่าไปถือว่าเป็นของเราขอให้ถือว่าเป็นของอยืมมายืมมาชั่วคราวถึงเวลาเราก็จะต้องคืนเขาไป เวลาตายนี่ก็เป็นการคืนร่างกายกับสู่เจ้าของเดิมเจ้าของเดิมคือใครก็คือดินน้ำลมไฟนี่เองธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพราะร่างกายนี้มาจากอาหารและประทานอาหารอาหารต่างๆก็มาจากดินน้ำลมไฟเช่นข้าวก็ต้องมีดินมีน้ำมีอากาศมีไฟมีความร้อนจึงทำให้ละ ข้าวเจริญเติบโตขึ้นมาได้ผักผลไม้ก็เช่นเดียวกันส่วนพวกเนื้อสัตว์ต่างๆก็ต้องอาศัยการรับประทานผักรับประทานข้างนี้จึงทำให้สัตว์ร่างกายของสัตว์เจริญเติบโตขึ้นมาได้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับประทานที่เราเรียกว่าอาหารนี้ก็มาจากดินน้ําลมไฟทั้งนั้นไม่ได้มาจากอะไร แสดงว่าเรายืมดินน้ำลมไฟมาก่อร่างก่อร่างกายนี้ขึ้นมาร่างกายนี้ก็เหมือนกับอาคารที่เราอยู่นี้อาคารนี้ก็ต้องอาศัยอิฐหินปูนทรายต่างๆจึงทำให้เกิดอาคารขึ้นมาได้ร่างกายเราก็ต้องอาศัยดินน้ำลมไฟอาหารอาศัยอาหารชนิดต่างๆ อาศัยเครื่องดื่มอาศัยน้ำอาศัยอากาศที่หายใจและอาศัยความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้ร่างกายเราสามารถจเจริญเติบโตและอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้แต่ร่างกายนี้ก็จะต้องไปตามวาระของเขาเมื่อเขาจเจริญเต็มที่แล้วเขาก็จะต้องเริ่มเสื่อมลงไปตามลาดับจนในที่สุดก็จะหยุดทางานหยุดหายใจ พออยู่หายใจแล้วธาตุทั้งสีที่มีอยู่ในร่างกายก็จะแยกทางกันไปน้ำก็ไปทางหนึ่งลมก็ไปทางหนึ่งไฟก็ไปทางหนึ่งดินก็ไปทางหนึ่งนี่คือความจริงของร่างกายที่พวกเราต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆ mm hmm. เพื่อเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดไปคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา เราก็จะปล่อยวางได้พอเราปล่อยวางได้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกายเพราะร่างกายของเราก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นนั่นเองเวลาร่างกายของคนอื่นเป็นอย่างไรเราไม่เดือดร้อนชั้นใดเวลาร่างกายของเราเป็นอย่างไรเราก็จะไม่เดือดร้อนฉันนั้นเพราะเรามีปัญญามีธรรมะมีแสงสว่างแห่งธรรมที่จะสอน ให้เราปล่อยวางได้แต่การจะปล่อยวางได้ใจเราต้องมีกําลังที่จะปล่อยเพราะตอนนี้ใจเรายังไม่มีกําลังเรายังถูกกิเลสฉุดดึงเอาไว้หลอกให้เรายึดติดอยู่กับร่างกายยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยึดติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องใช้การปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังเสริมสร้างกำลังให้แก่ใจด้วยการทำสมาธิการทำสมาธินี่แหละจะเป็นการสร้างกำลังใจเพราะถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้ก็แสดงว่าใจเรามีกำลังมากกว่ากิเลสถ้าใจเรามีกำลังมากกว่ากิเลสแล้วพอปัญญาสอนให้ใจปล่อยวางกิเลส ก็จะสามารถปล่อยวางได้ละกิเลสได้ละความอยากได้ตอนนี้มีปัญญาแต่ปัญญาที่เรามีนี้ไม่มีกําลังใจเราไม่มีกําลังที่จะทาตามได้ถ้าทำตามได้วันยยนี้ญาติโยมก็กลับไปจัดการกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีอะไรที่ไม่จำเป็นก็ยกให้คนอื่นไปแล้วก็ไปหาที่สงบ นักษาศีลปฏิบัติทันแต่ที่ทำกันไม่ได้ก็เพราะว่าใจยังไม่มีกำลังพอใจยังถูกกำนาดของความอยากลึงเอาไว้เวลาอยากอยากดูอยากฟังอะไรก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งจิตใจได้ไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากต่างๆดังนั้นขอให้เราพยายาม ฝึกทําใจให้สงบให้ได้พยายามนั่งสมาธิบ่อยๆวันละหลายๆครั้งสวดมนต์ไหว้พระไปก่อนก็ได้ถ้านั่งแล้วมันไม่สงบมันคิดฟุ้งซ่านก็สวดมนต์ไปก่อนหรือเปิดธรรมะฟังไปก่อนเพื่อกล่อมใจให้สงบลงในระดับหนึ่งพอใจเริ่มสงบลงแล้วก็สามารถที่จะนั่งดูลมหายใจเข้าออกได้ หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้าไม่คิดอะไรก็ให้ดูไปเรื่อยๆแล้วไม่นานใจก็จะลวนลงเข้าสู่ความสงบพอใจสงบแล้วจะพบกับความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถมาเทียบเท่าได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตสันติประรมงสุขขังไม่มีสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุข ที่เกิดจากความสงบของใจสมาธินี่แหละก็คือความสงบของใจพอาเราได้สมาธิแล้วเราก็จะมีพลังที่จะตัดความสุขต่างๆทั้งหลายไปได้หมดจะตัดเงินทองได้ตัดรูปเสียงกลิ่นรสได้ตัดความยึดติดในร่างกายนี้ได้เพราะใจไม่ต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ได้มีความสุขได้ นั่นดีกว่าด้วยเพราะไม่มีความทุกข์เลยดังนั้นขอให้พวกเราพยายามหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วพยายามปฏิบัติธรรมให้มากเท่าที่จะมากได้พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเก็บเอาไว้เท่าที่จําเป็นถ้ามีมากเกินไปก็ยกให้คนอื่นไปจะให้ใครก็ได้ ถ้าให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นบุญเพราะได้ปล่อยวางอุปทานได้ปล่อยวางกิเลสแต่ถ้าให้ตอนที่ตายไปแล้วนี้ไม่เป็นบุญไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ปล่อยวางกิเลสไม่ได้ปล่อยวางอุปทานนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำบุญในวันหยุดที่เราถือว่าเป็นเป็นวันที่เรา ได้กำไรอีกหนึ่งวันเพราะถ้าเราไม่ได้หยุดเราต้องไปทำงานเราก็จะไม่ได้มาทำบุญอย่างในวันนี้วันนี้เราก็ได้บุญหลายอย่างบุญที่เกิดจากการให้เชิดตักบาทถวายสังฆทานบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมบุญที่เกิดจากการมีกายวาจาที่สงบบุญที่เกิดจากการมีใจที่สงบ เพราะขณะที่ฟังธรรมตอนนี้ใจก็สงบถ้าถ้าถ้าไม่สงบก็จะฟังไม่รู้เรื่องดังนั้นขอให้เราพยายามหาเวลามาทำบุญกันให้มากขึ้นไปเรื่อยเพราะบุญนี่แหละคือทรัพย์ที่แท้จริงของเราบุญนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงและหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้หมด จึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมกวรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวนันละสุขภะละโดยทั่วหน้ากันเถิด